เรื่องห้ามการหนึ่งเรื่อง2 2 7สมัยนั้นพวกญาติบอกภิกษุรูปหนึ่งว่านิมนต์ท่านมาบริโภคการเถิดภิกษุนั้นตอบว่าท่านทั้งหลายเราปฏิเสธการทั้งหลายแล้วท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุ